มันไม่จําอะไรไว้ในความจํามันยังไม่ยังไม่ได้จําไว้แต่ถ้าลองลิ้มแล้วมันจะจําถามว่าใครจําก็ความจำเลยมันจำไม่ไม่ใช่ใครครับจําแล้วเนี่มันห่ยห่าห่ยหาแล้วมันมันจำอารมณ์ได้ดังนั้นมันรีคอนสตรัคขึ้นมาใหม่ผมทช้ภาษาฝรั่งนะมันสร้างความจําันนั้นมาอีกทีหนึ่งนู้นเรามีสิ่งที่สําคัญนะคคือพลังนาศของสมองพลังนาศของจินตนาการ เรื่องสามสี่สิปีนี่มันสร้างสรรค์ขึ้นใหม่แล้วยังมีอารมณ์เหมือนเดิมหลวงพ่ออหนึ่งเราใหฟังนะครับที่หลวงพ่ อ, อ, อกระจ่างครับท่านคงสี่ไม่ได้เจอกินสามสี่สิบปีท่านบอกมีหลวงพ่อองค์หนึ่งดา่าท่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะตกลงก็หกสิบปีแล้วนะท่านบอกว่านึกขึ้นที่ไหนยังโกรธไม่หายทีนั้นแล้วองค์นั้นตายไปแล้วนะเผากันไปเรืย่ยไ <c oughs> อ้มนุู้นนี่มันเหลือเกินจริงครับดังนั้นผู้ที่มีความจําแล้วก็ไม่มีสติ ไม่มีอิสระนะครับความจํานั้นจะนําไปสู่อข้อจํากัดเราเห็นนะครับบางคนเนี่ยฝังจิตฝังใจกับเรื่องที่เกิดมานานยี่สิบปีนีจนชีวิตถูกจับตัวอยู่ลืมไม่ลงกับเรื่องบางเรื่องนึกตอนนี้กออกานะครนั่นปัญหาของเราอยู่ตรงทําไงเราจะผ่านสิ่งที่เราไม่ตัดนะให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดในทางจิตคืออย่าไปจํามันผมหมายหึงราคานะแต่ต้องใช้ความจําอีกตัวหนึ่งครับ ตรงนี้มันพูดถ้าถามซ้อนมาแล้วจะทำยังไงโอ้ที่นี้ยุ่งแล้วครับมันต้องนำเข้าไปสู่เทคนิคเช่นสิ่งแวดล้อมต้องได้ยินได้ฟังบ่อยๆจะหัดเจริญสีตั้งแต่เรื่องง่ายไปสู่ยากการสร้างจังหวะยกมือแบบลุงเสียงก็ใช้ได้ที่จริงเนี้ยอนาปาก็ดียุบหนอมของนอ ก, ก็ดีทั้งนั้นนลครับแต่จะไม่มีเทคนิคหนึ่งเทคนิคใดโดยเฉพาะที่นาไปสู่จุดจบเทคนิคมันอาจจะนาเราออกจาก ว่งกับปัญหาบางท่อนบางประการแต่ว่าทางยิงไม่ได้อยู่มนเทคนิคเทคนิคสร้างทางไม่ได้ครับมันเหมือนว่าเราต่างคนตน่งอยู่กระหม่มบ้านนะแล้วก็มีไฮเวย์สายกลางผมโดยธรรมชาติอยู่หมู่บ้านกอก็ออกจากหมู่บ้านกอเพื่อเข้าไฮเวย์แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพร ห, หรือที่ไหนก็ตามขออยู่หมู่บ้านขอก็ออกจากหมู่บ้านขอ ถ้าขอเกิดไข้เขวว่าผมต้องเชื่อกอผมต้องไปเริ่มต้นที่กอแล้วค่อยย้อนมันยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้มันเทคนิคนี่มันมันเป็นความเหมาะสมในขั้นตอนหนึ่งครับเป็นยุทธวิธีเป็นภาษาฝั่งกว่ strategi นะฮะเป็นวิธีที่จะเอาชนะไอไอความมันเป็นเคล็ดนะครับเหมือนกับว่าเราเสียท้องเราเดินทางไม่ได้ทั้งทเราแข็งแรงนะต้องแก้ก่อนมันเทคนิคช่วยได้เล็กน้อยครับ แต่ว่าถ้าใครเขาจะผิดคิดว่าจะใช้เทคนิคนี้จนวินาทีุ้ดผมคิดว่านั่นคืออุปสรรคเทคนิครวมไปถึงสถาบันที่สังกัดไปด้วยครับฉันต้องยึดถือสังกัดเนี้เปลี่ยนไม่ได้ในสุดมันจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมาทันทีเช่นเดียวศิลปินที่ยึดถือสไตล์หนึ่งกูจะเขียนสไตล์นี้จนนี่คืออุปสรรคครับทีแรกเขียนไม่เป็นต่อมาเขียนเป็นต่อมาติดการเขียนเป็น ซึงต้องการขั้นตอนหนึ่งทำอะไรสลับหลุดจากเทคนิคต่างๆให้เหลือชีวิตล้วนๆสติอันนี้ไม่ใช่เทคนิคแล้วนะฮะสติภายในนี่ไม่เกี่ยวเทคนิคครับชีวิตซ่อนศักยภาพที่สามารถศักยภาพแห่งอิสภาพไว้เรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวัเม็ดพืชซ่อนศักยภาพที่เติบโตเป็นต้นสายข้อสำคัญที่สุดเราต้องทาถูก และเข้าใจถูกต้องนะเหมือนใครสักคนหนึ่งก็จะผิดไปเอาเม็ดกรวดซึ่งก้อนคล้ายเม็ดขนนนี่นะเข้าใจเป็นเม็ดขนุนเอาลงดินคลวนดินอย่างดีใส่ปุ๋ยลดน้ําเช้าเย็นไม่ให้บกคล่องเลยสิบปีก็ไม่งอกครับเพราะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นมันไม่มีเชื้อรู้อยู่ในนั้นศรัทธาเท่าไหร่ความเพียรเท่าไหร่กลายเป็นศูนย์หมดเลยนะแต่ถ้าเม็ดขนุนนั้นเป็นมีเชื้อชีวิตของเม็ดถนน อยู่นะขอให้ดินธรรมดานะครับไม่ใช่ดินดานหรือลงไม่ถึงดินดินธรมนะนธรมดานะ้ํดน้ำก็ธรรมดาไม่ต้องโชคชุ่มทั้งวันทั้งคืนความเพียรเท่าที่มนุษย์เรามีจนเรารู้สึกได้เราเพียรแล้วนี่สําคัญเนะืมาตร ก, การนี้หลายเรื่องจะบอกเราเราได้รับผลตอบแทนทั้งๆเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้แจ้ความเพียรแต่โชคช่วยความเพียรอันนี้คือเรารู้สึกว่าตัวเรากับความเพียร น, นี่แมตกันพอคนพบ ผมใช้ภาษาฝรั่งนะขอโทษนะมีความรู้สึกเ n e r g e t i c กระชบเฉ่งขึ้นในการภาวนานั่นแหละครับความเพียรนี่เหมาะสมถ้าเกินเนะื้อความเพียรเกินเป็นอุปสรรคดังนั้นพระเจ้าจึงเตือนพระคามินีบอกว่าธรรมชาติของของอินทรีย์ห้าย่อมได้สมดุลกันจึงจะออกผลศรัทธาเกินนี้ไม่ได้ถ้าศรัทธาล้าหน้าจนจนกระทั่งกลายเป็นเซนติเมนตอนน้ำหูน้าตาไหลล้มเหลวครับ ปัญญามากคลุ้งซ่านง่ายขันติมากแล้วปัญญาหย่อนไม่ได้ครับสมาธิน้อยก็่างไม่ได้ธรรมชาติเหล่านี้ต้องได้สมดุลพอได้สมดุลแล้วมันจะปรากฏผลลงมาท่านได้ก็สันนั้นครับเหมือนเราปลูกเม็ดถนุนเย่างนี้ทุกสิ่งก็ได้สัดส่วนแต่ก็คือเม็ดธนุนธรรมดานย่างนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วิเศษอะไรดังนั้นคำถามที่ถามนะฮะจากพื้นฐานของสติธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ว่าต้องฟูมงฟักจนกระทั่งสตินี้นะ เข้มเข้มและ ว, ว, ว่องไวเข้มผมหมายถึงมันมันอิลูมินเอตมีกําลังนะฮะมีกําลังซึ่งต้องอาศัยความเพียร น, นะความเพียรคือความขยันครับคนใต้เนี่ยมีศัพท์เขาคาว่ า, ก ล, านะววกล้าเนี่ยซึ่งคํำวีระหรือวิริยะเนี่ยกล้าเนี่ยแปลว่าขยันครับเป็นคนภาคใต้ซึ่งนี้เป็นรากศัพท์เดิมครับคนภาคใต้เขาคนนี้มันกล้าดีนะไม่ใช่ไม่ใช่กล้าตายนะคือมันขยันงานนั่นเองครับ เวลาปฏิบัติธรรมนี้สิ่งหนึ่งคือการสร้างอุปนิสัยที่ขยันขยันขันแข็งที่จะดูใจเดินจงกลมคนขยันเนี่ยรับรองได้มันมันเริ่มค่อยๆสละไอ้ความซกเศาความเหนื่อยเหนื่อยเนะีความลา้าความท้อแท้เนี่ยจะถูกทําลายลงลยนี้ด้วยความขยันขันแข็งเนะี่ยการตื่นเช้าโดยโดยหลักธรรมเนี่ยมันมีพื้นฐานของภูมิธรรมที่นําไปสู่ปัญญาชั้นสูงนั้นง่ายๆ่ายยิ่งขึ้นครับเช่นรู้จักกินรู้จักใช้ โพชเนมัตตันอยู่ตาเริ่มต้นในบทง่ายๆเนี่ยแล้วอินทรียสังวรามสำรวมในการใช้ตาใช้หูมัดระวังโดยเฉพาะใจคุมไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงครับแล้วก็ชาคลียานุโยกฝึกทําเป็นเครื่องตื่นรวมนึ่งตื่นตัวและตื่นนอนตอนเช้าเชด้วยครับทําอะไรด้วดวงจิตที่แจ่มใสด้วยความเต็มใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ง่ายมากๆครับแต่แน่นอนนะครับการประคองให้พื้นฐานนี้ เติบใหญ่เป็นงานอีกด้านหนึ่งซึ่ต้องอาศัยสรริ่งสว่างไสว rom โดยเฉพาะยิ่งสว่าร้อว r ที่เรียกกัลยาณมิตรตามิตรที่ดีผมมิตรที่ดีนั้นเราไม่มีพรมแดนในการไถ่าถามถึงปัญหานะแล้วก็ประเด็นที่ถามผมสรุปเลยนะืตามประสบการณ์นะเพราะว่านี่นี่มันอยู่นอกหลักการ โ, โดยหลักนั้นถูกแล้วครับที่ว่าเมื่อเราค่าเกิดโทสะเกิดให้พิจนารณา สิ่งนี้เป็นทุกข์เปนโทษแต่ว่าผมตั้งคําถามสักคำว่ามีเวลาที่พิจนารณาครับพอราคาเกิดมันลากคอไว้เรียบร้อยแล้วครับมันพิจารณาจริง ก, ก็เรียบร้อยไปแล้วถูกไหมหนั่นนั้นสิ่งสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ระบบป้องกันครับความคุ้นอย่างยิ่งกับสภาพไร้ไร้ราคาซึ่งเรามักจะไม่ใส่ใจว่ามันปรากฏอยู่นะโดยพื้นฐานมันปรากฏอยู่นะสภาพไร้ราคาเพราะว่า กิเลสเป็นเพียงอาคันตุกะ ค, ครับมันไม่ใช่สิ่งถาวรหรือไม่ได้เกิดจากเนื้อในของชีวิตกิเลสมันเป็นอาคันตุกะจอนเข้ามาในช่วงที่เราไม่รู้ตัวนะึะฮะทีนี้ช่วงไม่มีกิเลสเนี่ยนะฮะสำคัญมากเมื่อเราคุ้นมากๆเข้ามันจะแผ่ขยายครับมันแขกแต่ขยายพื้นที่จนครอบคลุมชีวิตทุกอนุลงชีวิตเราเริ่มสัมผัสความบริสุทธิ์ของตัวชีวิตซึ่งทุกคนเป็นอันนี้การสัมผัสบริสุทธิ์จะไม่เกิดอหังการขึ้นมาคิดว่ากูบริสุทธิ์ แต่ถ้าเป็นระบบที่ไปทำสมาธิแบบเข้าชงอาสานเกิดอาหาังการเห็นคนอื่นสกปรกทั้งนั้นข่าคนเดียวบริสุทธิ์แต่ถ้าเด็การจเจเริญในาาิาสานาใช้สีธรรมดานจะเข้าใ จ, จทันทีว่าทุกคนบริสุทธิ์ทั้งนั้นครับโจรก็ บ, บริสุทธิ์ครับแต่เขาไม่รู้ตัวตรงนี้มันจะนำไปสู่ฮิวแมนิตี้ครับมนุษยธรรมศาสนาธรรมนั้นมีสิ่งสาคัญอันหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ลางเลือน ศาสนาธรรมค่อยๆเข้มงวดตัวมันเองกลายเป็นคติความเชื่อประจําเผ่าพันธุ์ซึ่งนั้นอันตรายมากครับที่จริงฐานรากของศาสนธรรมคือมนุษยธรรมมันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นนักบวชแล้วไร้มนุษยธรรมเรารับได้ไหมเรารับไม่ได้เลยในการพัฒนาประเทศชาตินั้นรากแก้วของการพัฒนาคือมนุษยธรรมครับ มือนสมาชิกของรัฐต้องจับตามองการกระทําใดของรัฐบาลนี้ไร้มนุษยธรรมบ้างเนการผลักดันผู้ลิภัยอวยพยพผู้ผู้ประสบชะตากรรมออกนอกประเทศนี่ไร้มนุษยธรรมหรือเปล่านี่ยอันนี้ดูผมจะพูดทนอกเรื่องนะก็คําถามนั้นคิดว่าได้ตอบแล้วนะครับคุ้นอย่างยิ่งกับความรู้สึกที่บริสุทธิ์จนกระทั่งว่ามันแผ่กัมมันดภาพออกมาในตัวมันเอง มื่กระทบอารมณ์ราคะราคะตั้งอยู่ไม่ได้ครับตกไปโทสะเข้ามากระทบแล้วก็ตกไปถ้ามันตั้งอยู่นานเราก็หวั่นไหวนานนะซึ่งกลไกอันนี้จะถูกปลุกไอความรู้สึกฉับไวา น, นี้มีซ่อนอยู่ในเราแล้วครับมันจะทํากิจมันเองโดยหลักท่านถือว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนบุรุษที่แข็งแรงอยากนึกอยากสลับแขนก็ทําได้ดังใจนี่หมายถึงภาวะของอรหันนะ แต่แค่โุดาบอกท่านอุปมาเหมือนน้าที่ราดบนใบบัวมันมีช่วงที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่ติดลาดไหลายมีช่วงเรียกว่าราคะเข้ามาแล้วก็ผ่านไปจริงๆนั้นพวกราคะโทสะโมหะเข้ามาเพื่อทําให้ปัญญานั้นคล่มคายเหมือนที่พูดแล้วครับไม่มีกิเลสเข้ามาให้กระทบปัญญาจะไม่ไม่ส่องแสงมันจะไม่ทําหน้าที่ครับเพราะว่าถ้าคืนทําหน้าที่โดยไม่มีเรื่องจงทําเหมือนคนบ้านะ ไปทำงานตั้งแต่ไม่มีงานจะทําเจ้าที่มาช่วยที่ใดว่าที่บอกว่าไ ม, ไม่หาไม่หาบุญนอกเขตพุทธศาสนาครับุญในเขตนอกพุทธศาสอ๋อครับดีนะเพราะว่านั่นเป็นเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธไปรู้กันนะครับว่าแต่ว่าความหมายมันคุมเคือซึ่งเราต้องทําความกระจ่าง ไม่แสวงหาบุญนอกขอบเขตของพุทธศาสนาถ้าพระพูดนี่มีปัญหาคล้คาๆต้องทำบุญกับชั้นเท่านั้นใช่ไหมฮทีนี้เรานุ่งพิเคราะห์ว่าอะไรคือขอบเขตของพุทธศาสนาทีนี้พิเคราะห์แล้วยังไม่พอต้องดูตัวอย่างของจริงจากพระพุทธองค์บทบาทของท่านนะอย่างมื่อพระเจ้าพิมพิสารทูลถวายเวรุวันนะครับ ทูลถวายเพราะว่าเคยทิฏฐานไว้ว่าขอให้ได้ทําบุญกับพระอรหันต์ทีนี้พอพระเจ้าตรัสรู้ท่านก็นถวายพระเจ้ารับแต่พระเจ้าประวารณาให้กับนักบวชทุกลัทธิครับนี่นี่นี่คือบทบาทของท่านเราจะตั้งข้อหาพระเจ้าได้ไหมฮะทาไมทําบุญนอกขอบเขตของชาวพุทธเราตั้งไม่ได้ครับการทําบุญ น, นั้นเป็นเรื่องของเสริมฐานมนุษยธรรมแต่วิธีธรรมครับนั่นเป็นของกรรมสิทธิ์ของพุทธ เขาพุทธควรจะทําบุญด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์โดยทั่วไปทุกวันนี้เราเห็นการทําบุญนี้เ อ, อิกเกลืก้แต่ดูไปแล้วภายใต้ละทิทุนิยมนะการทําบุญของคนรวยเนี่ยมันเป็นการลงทุนผลใหม่ผมกล่าวเข้าหาแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบาที่ทําบุญเพื่อเอาหน้าเพื่อให้เพื่อสแสวงหาอะไรบางสิ่งไปดงนั้นคําว่าขอบเขตพุทธศาสนาหมายถึงว่าทําบุญเพื่อสละความเห็นแก่ตัวก็ได้นะฮะแล้วก็ อีกอันหนึ่งคือไม่ควรทำบุญชนิดที่ทำให้ก่อเกิดทุกโศกขึ้นแก่มวลมนุษย์หลายปีก่อนมีองค์กรหลายองค์กรในประเทศนี้เรียกอะไรเงินทำบุญเพื่อจะเอาซื้อปืนไปฆ่าคอมนิตแล้วมีพระบางรูปห้าวหาญนึกขนาดพูดว่าฆ่าคอมนิตไม่บาปเท่าฆ่าปลาให้พระกินก็ไปกันใหญ่เท่านั้นเอง น, นะังนั้นลรกวรจะทำบุญด้วยจิตใจซึ่งใสสะอาด แล้วควรจะใช้สี่ปัญญา น, นําว่าสิ่งเราทําเนี้ยไปทําลายผู้รับหรือเปล่าเช่นซื้อรถยนต์แพงๆให้พระเนี่ยเรากําลังทําลายาศาสนาด้วยการทําบุญของเราหรือเปล่าถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ยุ่งกันใหญ่ครับยิ่งโลกกําลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของไฮเทคเท่าไหร่พระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสังวรหนักขึ้นมาอะไรที่มีเข้าแล้วเนี่ยมันเสื่อมเสียเทคโนโลยีไม่ได้มีความ ชั่วลายในตัวมันเองนะแต่ว่าเมื่อไม่รู้เท่าทันมาแล้วมันจะควบคุมพฤติกรรมเอาและทำให้ชีวิตค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์สิ่งนี้เป็นอุสรรคที่ร้ายกาจต่อมนุษยธรรมนะคือเครื่องจักรเครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูงจนลดค่าของความเป็นคนลงรวมถึงความยึดติดในสถาบันอย่างองม ง, งายเช่นยึดติดในยกตัวอย่างเนะช่าจุฬาเช่าธรรมศาสตร์จับแดงยึดมั่นว่า จุลากูธรมศาสตรกูชิมึงจุลามนุษยธรรมเติบโตไม่ได้ครับมนุษยธรรมเป็นมันจะเติบโตขึ้นต่อเมื่อมองเพื่อนร่วมโลกเป็นมิตรเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่คือฐานมนุษยธรรมเคยได้ยินไหมครับชาวพุทธนี่จะมีคติอันนี้เวลาพุทธมมกะหรือสัตบุรุษชาวพุทธขึ้นพูดมักจะได้ยินคํานี้ก่อน เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาทำบุญก็ทำบนฐานอันนี้นะนี่ละมังครับที่เป็นขอบเขตของพุทธศาสนาเป็นท่าทีเป็นแนวโน้มเองในพุทธศาสนาทำบุญเพียงเพื่อให้กระจัดทุกของเพื่อนร่วมโลกมีคำสวดมนต์หนึ่งการแผ่เมตคำแผ่เมตตาคำหนึ่งนะผมฟังมาจากไหนอ่านจากที่ใดนี่ลืมแล้วครับแต่มันถ้อยคาซึ่งสุภาพและ แผ่ความรักความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้าคําเป็นอย่างนี้ครับขอให้ลมเย็นๆพัดต้องกายคนที่กําลังร้อนคําพูดง่ายแต่ว่ามันมีอะไรที่บอกถึงความปรารถนาดีนะฮะผ่านผ่านทางคําพูดง่ายๆนี้คือความปรารถนาให้คนอื่นได้รับสิ่งดีงามนี่ผมคิดว่าเป็นอริยะอย่างยิ่งครับวิสัยผุ้ดชนนั้นเต็มไปด้วยอทิ์เสีย ถ้าให้คนอื่นได้ดีก็ค่าต้องก่อนและเองค่อยตามมาทีหลังนะแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงฤทธิ์ยานี่กากั้นการทำบุญกุศลนะไม่ขัดแย้งนะครับที่บ้านนนะที่จริงที่มาก็เหมือนจะมีมาในพระวินัย น, นะฮะที่เหมือนจะเป็นถ้อยคำของพระอนนนท์ด้วยซ้ำไปผมผมเรียนแล้วครับเรียนลางนะที่ว่าให้ทำบุญในขอบเขตพุทธศาสนา ไม่น่าจะมีความหมายว่าให้ทำบุญเฉพาะกับพระเท่านั้นเพราะว่าพระเจ้าเองเมื่อใครก็ตามนะพราหมณ์คนหนึ่งคนดใดที่หานมาเรื่อมสายท่านท่านยังสนับสนุนให้เขาทาบุญใส่บาตรให้กับนักพรตที่ไม่ใช่พุทธไม่ใช่ชาวพุทธด้วยครับเป็นพวกนิครนพวกเดี๋ยวฉีนิครนอะไรนะท่านยังหนุนให้ทำบุญผมตอบได้เท่านี้ครับ กันทราบว่าคนเรานี่เวลาตายแล้วไปไหนกันโอ้ครับน่าจะลองตายดูสักทีจะได้รู้จะได้รู้เรื่องไปเลยนะเป็นคำถามซึ่งเป็นค่อนข้างเป็นอภิปรัชญานะ <S <S เป็นเรื่องที่เฉพาะตัวคนที่มีนิสัยในทางนี้ใครรู้แล้วก็ถ้ารู้ไม่ได้จะกลัด ก, กลุ้มมากมีมีพระลูกหนึ่งในสมัยพุทธการถามพระองค์เช่นนี้นะ แล้วคุกคำพระพุทธเจ้าด้วยครับบอกทาไม่ตอบให้กระจ่างเ่ยจะสึกประท้วง <c oughs> <c oughs> พุทธเจ้าท่านเลยว่าถ้างั้นสึกเลยแต <c oughs> ่บอกท่านไม่ได้ชวนมาบวชเพื่อจะตอบคาถามนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นคําถาม ท, ที่ที่ชวนคิดชวนแต่จองผมไม่ได้ปฏิเสธนะ <c oughs> แต่ว่าชาวพุทธนั้นต่อเรื่องราวซึ่งสัมผัสไม่ได้ท่านแนะให้วางท่าทีครับ เช่นมีบทพระสูตรที่ปลอบขวัญภิกษุที่ยังมีสิ้นสงสัยในเรื่องภพชาติท่านปลอบใจอย่างนี้นะฮะท่านบอบว่าถ้าชาติหน้ามีอีกในภพนี้ชาตินี้พวกเธอก็ปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วดังนั้นถ้ามีชาติหน้าเธอต้องเกิดดีนี่เป็นบทปลอบใจถ้านไม่ได้ตอบว่ามีหรือไม่มีนะถ้ามีท่าบอกเธอต้องเกิดดีนี้สมมุติถ้าไม่มีขึ้น ท่านบอกว่าเกิดทุกภพเป็นทุกทุกภพนั้นไม่เกิดดีแล้ว น, น, นี่เป็นบทปลอบใจเท่านั้นซึ่งง่ายดายและตรงไปตรงมาแต่สําหรับบทที่ท่านท่านตอบโต้เพื่อให้สํานึกท่านก็ยกอุปมาเรื่องนายขมังธนูครับเช่นท่านบอกว่าสร้างออกมาว่านายขมังธนูยิงคนคนหนึ่งเจียนตายนะ ถ, ถูกลูกธนูเสียบเข้าอกเจียนตายแล้ว ท่นถามรอว่าคนเจ็บคนเนี้ยังมีหน้ามาถามหรือเปล่าว่าไอ้คนยิงพ่อมันชื่ออะไรมันใช้ธนูสายอะไรเรื่องแรกคือต้องถอนลูกธนูก่อนแล้วค่อยว่าทีหลังนะธ น, นูมาเช่นนี้กับพระองค์ที่ผมเล่าแล้วประท้วงเพื่อจะศึกถ้าไม่ตอบคาถามท่านปัญหาของมนุษยชาติก็คือความทุกข์ไม่ใช่ความไม่รู้ในเรื่องมีมีภพชาติหรือเปล่าท่าหน้ามีหรือไม่ไม นันปัญหาแรกเร่งด่วนของชาวพุทธก็คือต้องจัดการกับความไร้สติของตัวการจัดการกับอวิชชาซึ่งห่อหุ้มครอบคลุมอยู่นะซึ่งกรรมวิธีในการจัดการนี้ท่านแนะไว้ครบถ้วนเช่นหมดธรรมที่เรื่อสติปัฏฐานสีเป็นเรื่องถอนลากของอวิชชาคือสมมุติมีใครตอบว่ามีหรือไม่มีนี่มันทําลายความสงสัยเราไม่ได้ น, นะครับบางทีเราจะสงสัยเพิ่มขึ้นอีกครับว่าคุณเอาเหตุผลอะไรมาตอบว่ามีนั้นปัญหาไม่รู้จบ นะเวลาจบไม่ได้เลยแต่ผมขอเตือนนะครับว่าปัญหาไม่รู้จบนี่สำคัญเหมือนกันครั้งหนึ่งนะครับในประเทศนี้เนี่ยเราเคยเชื่อมั่นในเรื่องรบชาติในสูตรที่เรียกพระสูตรที่เรียกสัมมาทิฏฐินะมีบทหนึ่งคือเชื่อเรื่องประโลกโลกนี้มีโลกหน้ามีม่นเป็นเช่นนั้นทำให้ผู้ผนั้นนะผู้เชื่อนะครับมีทัศนวิสัยต่อชีวิตที่ลุ่มลึกแทนที่จะมองชีวิตแค่ เกิดแล้วก็ตายแล้วก็ศูนย์เปล่ามองไมนะ่เนอะช่วงชีวิตที่เราอยู่นี่สัมพันธ์กับบุปกรรมแต่ความเชื่อนี้เป็น p o อปูล่าบูติซึมครับขอโทษใช่ภาษาฝลังเป็นศาสนาในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งมีพลังในทางวัฒนธรรมความเชื่อที่ว่าผัวเมียพบกันชาตินี้ก็เพราะแรงอธิษฐานเมื่อชาติก่อนดังนั้นจะเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงได้มากครับ จะอย่าผว่าผมจะทิ้งเมียองคิดหนักเลยเคยรักกันมากี่แสนชาติแล้วจะมาเอาเรื่องนิดเดียวทําไม่ได้ช้างมา้าหัวควายนะครับทรัพย์สินทั้งที่มีวิญญาณคลองและไร้วิญญาณนั้นรู้แล้วจะเกิดจากบารมีที่สังสมมาเคยทําดีมาชาตินี้ยิงได้อย่างนั้นชาติก่อนเคยทําบุญมาชาตินิ่งหน้าตาสวยงามแต่ท่านมันด้บอกเอาไปประกวดนางงามเลยทาไมจะบอกว่าเมื่อหน้าตาสวยไปอิรู่ ย, ยแฉกได้เลยนะ เมื่ออย่างนั้นครับคือต้องสารบารมีต่อเมื่อเราได้รับผลแล้วนะครับชีวิตนี้เกิดเรื่องมาเป็นบารมีและความหมายของมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทําบารมีนี้ให้เต็มเปี่ยมไม่ใช่ไปทําลายบารมีขึ้นเช่นทําบุญกระละรงังท่านว่าเสียงจะไพเร า, าะในชาตินี้หรือทําบุญก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเกิดมาจะสะสวยเมื่อสระสวยแล้วก็ไปประกฏนางงามได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับเมื่อ สิงนี้ดีแล้วต้องมุ่งมั่นที่จะเสริมบารมีให้ต็มเปี่ยมเพื่อถึงฝั่งมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มากว่าชีวิตไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดและจบสิ้นเมื่อตายนะแต่ชีวิตก่อนเกิดและหลังตายเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันไม่มีใครยืนยันได้นะนี่เปลาะหนึ่งนะแต่ผมจะมาถึงเปลาะสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นแตกหักเลยนะประเด็นนี้เป็นประเด็นของโลกุตตรธรรมแตกหักกันเลย เพราะว่าประเด็นแรกเป็นประเด็นทางจริยธรรมและฐานความเชื่อของขอ ง, ของฐานล่างขอ ง, ของความเชื่อศาสนาในความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นฐานวัฒนธรรมต่อประเด็นแตกขากนึ่งมีเรื่องอย่างนี้ครับว่าพระรูปหนึ่งชื่อเมคิยะหรืออะไรผมจํำไม่แม่นแล้วนะครับไม่อาจยืนยันชื่อได้ได้แสดงวาทะความเข้าใจต่อคําสอนพระเจ้าต่อหน้าพระภิกษุสอ์ว่าผมเข้าใจแล้วผมได้ยินมาเฉพาะพระพักของพระพุทธองค์ว่าอุตุยนธรรมดานั้น ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ตายไปแล้วย่อมไปเกิดอีกตามอํานาจของกิเลสตัณหาส่วนอรหันนั้นเนื่องจากสิ้นอาสวักิเลสตายแล้วก็ย่อมไม่เกิดฟังดูลาบลื่นดีนะครผมเชื่อชาวพุทธทั่วไปเข้าใจอย่างนี้จริงๆริงดฟังดูไม่น่ามีข้อโต้แยง้งแต่แล้วปัิจัยเกิดขึ้นทั่วถึงกับพระภิกษุซึ่งซึ่งมีปัญญาทั่วไปนะฮะถึงขนาดพนาว่าทําไมคุณกล่าวตูพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ถ้าไม่ได้สอนอันนี้เนะนี่น่าคิดทีเดียวครับพระรูปนั้นก็เถียงบอกได้ยินเฉพาะพระพักเลยผ yeah. ู้เจ้าสอนอย่างนี้นจริงๆเ พ, <ious S 1> พื่อนพระด้วยกันก็ไปฟ้องภาษาลิบุตรครับพระสาลิบุต ร, ร, รได้ยินนั้งคำมาเลยเพราะว่าพระองค์นี้เขาจะผิดจริงๆท่านกักว่าเธอเข้าใจอย่างนี้จริงเหรอที่ยืนยันพราะรูปนั้นก็ใจจริงเหมือนกันครับบอกเข้าใจอย่างนี้จริงๆพระสาริบุตรท่านเรียกโมคะบุรุษเลยนะทําไมเธอเข้าใจสิ่งลามก มาเข้าใจเป็นว จ, จนะของพทธเจ้าบางทีเราอาจจะโดนด้วยก็ได้นทะีนี้ท่านสักครับภาษารีบุก็ซักคานซักให้ใหแจมแจ้งนะครับว่าเธอได้ยินคำสอนเื่นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญานาณขอถามว่าในขันห้านั้นมีสักบุคคลตัวตนเราเขาหรือมีอรหันอยู่หรือเปล่าอรหันอยู่ในขันในรูปขัน หรือรูปขันมีในอรหันพระลูกนั้นก็บอกไม่ขันก็คือขันขันห้าก็คือขันห้านะรูปก็คือรูปนี่แหละมันจะมีอรหันอยู่ในรูปได้ไงคือรูปไม่ใช่อรหันแล้วอรหันก็ไม่ใช่รูปท่านก็ซักไปต่อหมวดเทวทนาอรหันอยู่ในเวทนาหรือเปล่าค้นหาตัวอรหันได้ภาวะอรหันอยู่ในความรู้สึกสุขทุกขนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่มีสัญญาล่ะก็ไม่มีสังขารล่ะก็ไม่มี วิญญาณก็ไม่ใช่อาราหารันอาราหันก็ไม่ใช่วิญญาณพสารีบุตรเลยปล่ามาแล้วเธอเอาเหตุผลอะไรมาบอกอาราหันตายแล้วศูนย์คนธรรมดาในเมื่อตั้งแต่เดิมทีมาแล้วคนสัตว์บุคคลอาราหารันไม่มีอยู่ในอัตภาพนี้สักแต่ธาตุล้วนๆเท่านั้นนี่คือความรู้ขั้นแตกหักครับแต่ก็ในสุดพระรลูกนั้นก็ปรับความรู้เข้าใจได้ ภ า, าษาทิ่บุตรเมื่อเห็นพระรูปนี้เข้าใจถ่องแท้ก็ซักว่าต่อแต่นี้ถ้าใครมาถามเธอในประเด็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเธอตอบข้ออย่างไรซึ่งที่จริงนั้นพระรูปนั้นตรับจรู้เฉพาะหน้าของภาษาที่บุตรในขณะที่ฟังกระแสะจิตกระแสะปัญญาเติบโตมาจากได้ยินได้ฟังความรู้ขั้นแตกหักขั้นสูงสุดอย่างนี้นะท่านตอบว่าต่อแต่นี้ผมจะไม่พูดอีกเรื่องนั้นผมจะบอกว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เวทนาไม่เที่ยงกันผมจะไม่พูดเรื่องคนเกิดคนตายอีกแล้วนีน่คือความรู้ขั้นแตกหักเลยครับแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าหลากหลายวัฒนธรรมในหลากหลายมุมโลกข้องพวงรเรื่องการตายและเกิดนิมากไม่ว่าอีสิปโบราณหรือทุกชนชาติดูเหมือนเป็นปัญหาที่แฝงเร้นอยู่ในหัวใจของปุถุชนแต่ไม่ใช่ปัญหาของอริยเจ้านับตั้งแต่โสดาจนอรหัสนะ นี่ไม่ใช่ปัญหาของท่านเป็นปัญหาของคนไม่รู้ส่วนการนี้คนหาความจริงมีอยู่หรือไม่มีอยู่นั้นท่านก็แจ้งไว้ในบทธรรมหนึ่งนะครับอกคนทั้งหลายติดยึดสุดโต่งถามถึงภาพมีอยู่หรือไม่ก็ไม่มีอยู่ให้รู้แล้วรู้ลอดไปฝ่ายหนึ่งไปายเดีวแต่ท่านบอกว่าท่านเองแสดงธรรมเป็นกลางกลางเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มี จริงดูแล้วใกล้เล่นเลีนครับแต่ที่จริงเป็นหลักที่สําคัญมากหลักหนึ่งเราเรียกว่าอิทัิปัจเจ ต, ตานะครับหลักที่ว่าสรรพสิ่งนั้นไม่มีตัวตนเพียงแท้ถาวร อ, อาศัยยิงกันเกิดดังนั้นสิ่งไม่มีก็ปรากฏมีได้ครับเช่นยกตัวอย่างผีเนี่ยมีหรือไม่มีแต่ว่าคนกลัวเพราะความเชื่อมีดังนั้นก็มีบทบาทจริงในสังคมเราขึ้นมาผมได้ให้ทัศนนะหลายด้านขึ้นมาเพื่อจะเลือกให้เหมาะสมนะฮะ แต่ผมยืนยันว่าความเชื่อที่ว่าภบชาติมีนั้นมีคุณมากกว่ามีโทษอย่างน้อยเป็ น, นกลไกระงับความรุนแรงถ้าเชื่อว่าชาติหน้ามีอีกเราต้องสำรวมโนัตรวังการทำกุศลหรืออกุศลนะเพราะมันจะส่งผลสะท้อนกลับซึ่งเป็นฐานที่สำคัญมากเราควรจะคิดไว้ง่ายๆว่าเราเชื่อมั่นในเวียนว่ายตายเกิดนะครับจนกว่าจะสิ้นปัญหาต่อประเด็นนี้ มีเขาเงื่อนจริงๆนะว่าชีวิตไม่ได้เกิดไม่ชีวิตมันจะปรากฏเมื่อเกิดและจบสิ้นเมื่อตายนะนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเขาพิสูจน์เรื่องนี้มาแล้วด้วยนะฮะแล้วนักเรียนในเรียนวัดนวล น, อ น, น, อนริที่เคยทดสอบด้วยเรื่องนี้แต่ผมฟังแว่วๆบางทีนะไม่ชัดเจนหรือใช้กล้องเกเรเลนนึ่ครับเ้าเรียกเกเรเล่นรกรธธุลกาฟถ่ายใบไม้สดๆซึ่งภาพที่ได้ผลได้จากการถ่ายทําให้เกิดภาพเรืงแสง แต่ไม่มีคุณสมบัติของแสงองนั้นเขาเรียกว่าภาพเรืองแสงศัพท์ก็เรียก plasmaic อะไรก็ไม่รู้นะ plasma แสงเรืองของพล a s m a ไม่ใช่ภาพถ่ายธรรมดานะคุณภาพถ่ายลังสีแต่นี่ไม่ใช่จุดที่ผมจะเล่าจุดที่จะเล่าก็คือผู้ดทดลองได้เด็ดยอดไม้ที่สดๆนะันเด็ดออกพอเด็ดปั๊บถ่ายเลย ผลได้กล่าวว่ามีภาพร่างนั้นอย่างสมบูรณ์นึกออกใว่าว่าจุดสำคัญมันอยู่ตรงไห น, นแต่ภาพสมบูรณ์นั้นเนี่ยซึ่งใบไม้จริงถูกเด็ดยอดไปแล้วนะเด็ดขาดไปแล้วเนี่ยแต่พอถ่ายรูปใบไม้จี่งขาดยอดขาดเนี่ยปรากฏภาพเต็มสมบูรณ์ครับแต่เฉพาะท่อนยอดตั้งอยู่ได้ประมาณสี่วินาทีเท่านั้นดังนั้นมีอะไรบางสิ่งครับถ้าเป็นคนจีนเขา เขาก็สรุปเลยนะว่าเป็น vitality เป็นกำลังภายในนี้ผมผมผมไม่ด่วนสรุปเช่นนั้นแต่ผมสรุปพอสรุปได้ว่าชีวิตไม่ได้ปรากฏเมื่อเกิดและชีวิตไม่ได้จบสิ้นเมื่อตายครับแต่ว่าก่อนเกิดและหลังตายนี่อาณาจากักรนี้ความเป็นไปนี้เพียงไรนั้นไม่รู้ครับผมไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ผมก็ได้เสนอความรู้ขั้นแตกหักของพุทธศาสนาแล้วนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งเสริมนี่เป็ครับเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะเป็นปัญหาหสําคัญคนทั่วไปคิดว่าคนทําบาปทุกคนต้องลงนรกทําบุญทุกคนต้องไปเกิดในสวนทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วใช่ไหมครับนี่เป็นเป็น topi la ซึ่งบางทีระดับนี้นะครับขัดแย้งกับความเป็นจริงด้วยพระเจ้าท่านตรัว่าท่านไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวว่าคนบางคนทําดีมานะทําดีมาตลอด แต่ก่อนสิ้นลมก่อนจิตดวงสุดท้ายจะดับนี่สมาทานมิจฉาทิฐิมีอบายและทุกขติเป็นที่หมายครับคื อ, ค อ, คอทำดีมันตลอดเลยทําบุญมันก็สมตลอดแต่ว่าจิตดวงสุดท้ายมันสมาทานมิจฉาทิฐิกดสับสนเข้าจะปิดขึ้นคติเป็นนรกเป็นอบายทุกขติวินิบาต